ر ับบิษฐ์รหล ي สัตว ل ดีวยศิริอัมลีว่าพลุนอุกตะท ا ลิส ي นีย่ฟกหูกาวลีอั ل ลอฮุมะอินน่า أ ลุกอิ ن มะนา ط ي ب ا و ع م ل ً م ت ق ب ل ا ي ا ربًعادمينالله م ف ك ي ه ُ ف ي د ي ن و ع ل م ُ ت َ أ و ي ن ا ل س ل ا م ُ ع ل ي ك م و ر ح م ت ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจาลอสุบหาห์นาหัวตาและประสบเด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอ่านทุกๆ ท, ท่านก่อนอื่นก็ขอชโกคต่อลอสุบฮาหนาหัวตาและที่ให้พวกเรานั้นได้มารวมตัวกันทำอิบาดะที่ยิ่งใหญ่ บางคนบอกว่าอิบาร์ดะยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องละหมาดนะเรื่องใจสะกาดเรื่องทำพัดอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันพี่น้องครับแต่ถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้ไม่เรียนกุรณานแน่นอนว่าเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องดังนั้นอิบาร์ดะที่จะต่อยอดสู่อิบาร์ดะอื่นก็คือการเรียนศาสนา การศึกษาเล่าเรียนศาสนาแม้กระทั่งคนที่ละหมาดเป็นแล้วก็ต้องฟังเรื่องศาสนาเพราะบางครั้งอีมาเราเราตกอีมาเราอ่อนพอเราฟังศาสนาทําให้เราเป็นไงเข้มงวดในการปฏิบัติอิบาดาเพิ่มขึ้นนะนั้นการการฟังศาสนาการเรียนศาสนาเนี่ยจะต้องมีอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนกุรอ่านซึ่งถือว่าเป็นที่มา นะของศาสนาบทบัญญัติต่างๆเดี๋ยวเราเริ่มละ ต, ะตะัดดึกหสิบเนนะ็อ่ะเจอไหมอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อน อาบูบิ l l l من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن ا มาน ي م م ا ร ك ฮ و ม ا ل ล ي ن ย ي มิด ع ินอี ي ا ก ن س ت บ ي ดอกนสต อิِ์ดีนั้ลศิราตัลมุสตากิมศิราตัลท้้าที่ันอัลกามต์ عليهم ไม่ได้มาดูบ่ عليهم ولا الضالين อัลลอฮฺเราเป็ عوذ ب الله من الشيطان الرجيم الش الر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين ขอดีนِ ي َุ ตดูดีนุมนาตาขดีนกุมอาีย้อนอนัลลีอัลลีน แต่ข้าดูดีนักมุฮูซ้ววะและอิบามินั้นแล้วไ ا ้นาอุตุล -kitab ق َ ب ْบِ ك ค م ม อ่าตรงนี้นะฮูซูวาวอ่านเข้าไปที่ตัววาวเลยนะครับอิดะกลมนะฮูซูว า, วาละไอบัมอ่าพอวาละไอตรงนี้เข้าบัมเนี่ยเข้าไปที่มีมละไอบัมมีนันละดีนะอีกรอบหนึ่งอัลละดีนั خذو دينكم هو و ولعب من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم Allah ا ด้นาอุทล์คิดะบะมีข ا ل ลิคุมวะลุฟฟาระอุลิยา อ่าดีมากนะครับเอาลลียเป็นมัดวาจิบต้องอ่านหน่วงเสียงนะครับแล้วก็มีฮัมซาอยู่ข้างหลังอย่างที่อย่าลืมฮัมซานะปล่อยเหลือลมไว้ให้ฮัมซาด้วยเอาลเลียอ่าอย่างนี้นะอี่รอบหนึ่งอัลลอดี น, นอตุลกีตาเมีกอบลิกุมัลกุฟ ฟ้ารองาัลน้าอุตุลกิตะบัมิมขับริวะารลวะตกุล ความนุริยาหว่อิดะนาดัยตุมอิลสาเลอานติดตะขอดูว่อิดะนาดัยตุมอิลสาเลติตตะขอดูฮาฮุซววะลาอิบะ อ่าหยุดตรงนี้นะว่ละอีบานะว่อีดานาไดตุมอีลสศเลติตคูขุฮาฮุซูวะวลอีบา ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ّ ه ثامن ربع نعم ذلك. ذلك بأنهمقوم ا ل ل ا ي ا ق و ن มาดูความหมายนะครับสองอายะนะก็จะกล่าวต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วซึ่งอลัลลอซุบฮานะฮวตาลาได้เตือน การภูกมิตรกับศัตรูของอิสลามนะครับคนที่แสดงตนเป็นศัตรูกับอิสลามอย่างชัดเจนเนี่ย <c oughs> และจะเอาเขาเนี่ยมามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายเพราะว่าเขาก็จะเป็นไส้ซึกนําความลับหรือแผนการต่างๆเนี่ยไปแจ้งกับคนที่เป็นศัตรูนะดังนั้น ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับว่าคนที่ไปศัตรูกันก็ย่อมไม่ชอบหน้ากันไม่หวังดีต่อกันนะคราวนี้เหตุที่เขาไม่ชอบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวพี่น้องครับที่เขาไม่ชอบนบีเนี่ยไม่ใช่ว่านบีทําตัวไม่ดีไม่น่ารักไม่ใช่นะเหตุเดียวเลยที่เขาไม่ชอบท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธาก็คือเพราะว่าพวกพวกเอ้านบีเองและผู้ศรัทธาเองเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์ ออมันก็มีประเภทนี้เหมือนกันดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยจะไม่ชอบกันเนี่ยถ้ามันมีสาเหตุจากพฤติกรรมเนี่ยบางครั้งมันเปลี่ยนแปลงกันได้บางคนกลับเนื้อกับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองไอ้ที่ไม่ชอบสมัยก่อนเพราะมันพูดจาไม่ดีเดี๋ยวนี้มันพูดจาเรียบร้อยก็เปลี่ยนกันได้แต่ถ้าเท้อชอบโดยที่ไม่มีเหตุผลอันนี้อันนี้ต้องปรับที่หัวใจของคนนั้นเลยนะอาจจะเป็นโรคอย่างหนึ่งอาจจะเป็นโรคอิจฉานิสยาบางทีก็หมั่นไส้แบบไม่มีไม่มีสาเหตุ ทำไมหมันไส่ล่ะบ้านมันใหญ่เออแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะบ้านมันใหญ่โตแล้วมันทําไมต้องไปหมันไส้เ้าด้วยเห็นไหมนี่เรื่องอิจฉาไงเรื่องของเรื่องคืออิจฉาใช่ไหมล่ะแล้วทําไมล่ะเขาบ้านใหญ่แล้วมันมันมันมันหนักอะไรเราล่ะก็ไม่ได้หนักอะไรเราเลยแต่ทําไมไปเกลียดเขาเห็นไหมเออคนเนี่ยมันมีเหตุใช่ไหมทำไมชอบกันมันก็ต้องมีเหตุแต่ถ้ามันไม่มีเหตุอะไรเพราะหมันไส้หรืออะไรที่มันมีเหตุเนี่ยแสดงว่าเป็นที่หัวใจมีโรคอิจฉาอยู่เหมือนกับพวกศัตรูของอิสลาม ท่านนาบีขอโทษนะท่านนาบีทําอะไรไม่ดีหรอไม่มีทําดีตลอดพูดจาดีตลอดแต่พวกนี้ไม่ชอบที่ไม่ชอบอัลลอฮ์บอกไม่ได้ชอบตัวท่านเพราะว่าท่านนั่นแหละที่รับเชื่อฟังอัลลอฮ์ยิ่งยิ่งเราเชื่อฟังอัลลอฮ์เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ยิ่งยิ่งเกลียดเรามากแปลกไหม <c oughs> เออเดี๋ยวดูในในคุราจจะเล่าให้ฟังบางคนกันงวลเฮ้ยมันเกลียดเราทําไมวะอ่าขัดแยง้งขัดแย้งผลประโยชน์ด้วย แต่เรื่องดีใช่ไหมล่ะที่ประกาศแต่ของดีเท่านั้นเลยนะคราวนี้นบีอัลลอ์าบอกว่าเย่ไออยูฮัลลาดีนามโนโอบันดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายนะแลตตะขิุแลดีนัตตะอดูดีนะกุ ah ้ม um จงอยาได้ยึดเอาเป็นมิตรนะกับคนที่เอาศาสนาของพวกเจ้าเป็นที่เยืยหยันฮุซวาเยื่ยหยันนะ ทำเยอยอยางปัจจุบันนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับอาจจะไม่ได้มองด่าโดยตรงนะแบบด่าแบบอิสลามเลวไม่ใช่แต่เขามองคนที่เคร่งคัดศาสนาเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคนไม่พัฒนาโบราณพวกคำคลึอพ ว, วกโลกสมัยใหม่ทีนี้เ้าเปลี่ยนแล้วไม่ทันสมั ย, มมยเ อ, อเขามองนั่นจริงเขามองคนที่เคร่งศาสนาเป็นคนที่ ล้าสมัยอันเนี้ยใครที่เชื่อแบบนี้ใครมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนี่แหละคือคนที่กําลังประกาศตนเป็นศัตรูของลอนะวะละอีบัมวะละอบัมเอาศาสนาเป็นที่เย้ยหยันแล้วก็ล้อเล่นเอาศาสนาเนี่ยมาล้อเล่นนะผู้ชายก็จะโดนล้อเรื่องเขากีโดนเนี่ยบางทีก็โดนล้อเรื่องเขาใช่ไหมมองเป็นเรื่องไม่ดีงี้งี้ นะผู้หญิงก็อาจจะโดนล้วล้ อ, รอเรื่องหาบับปิดหน้าอย่าโดนเลยเป็นนินจาเหรอบางคนถามเออใช่ไหมชุดว่ายังงู้นว่าอย่างงี้ผู้ชายก็โดนเรื่องเขาก็เยอะแยะอถ้าไปละหมานี่บางคนก็ถามเป็นไงกีละหมารกรีปีรวยหรือยังเนี่ยบางคนเอาเวลาไปทํามาหากินเถอะมีนะบางคนพูดอย่างนี้นะคนไปละหมาดร้านเนี่ยขายชาด้วยกัน อีกร้านหนึ่งชงชาตีห้าก็ตั้งร้านตอกน้ําร้อนพอถึงเวลาได้เวลาละหมาดปั๊บ่อาป้ายบอกว่าขอรอสักครู่หนึ่งหยุดหยุดก่อนชั่วคราวอะไรเขามีวิธีเขาป้ายแล้วก็คือไปละหมาดละหมาดหลังร้านนั่นแหละอีกร้านหนึ่งมุสลิมเหมือนกันไม่หยุดขายขายอย่างเดียวเพราะว่าไอช่วงปินเนยลูกค้าไปเข้าร้านนู้นด้วยเขาก็ขายพอเขาขายเปิดเขาขายเสร็จปุ๊บเขากลับบ้านเขาก็เซวเขาบอกไปงี้ เออละหมาดแล้วก็รวยขึ้นไหมล่ะก็ถามเนี่ยเอาเวลามาทำมาหากินอย่างชั้นดีกว่านี่พูดอย่างนี้อ้ามุสลิมเหมือนกันนี่เลยแต่มันมันเยอะหยันไงคือพูดในแนวแบบเซลล์คือเข้าใจไหมเขาไม่ได้ว่าแบบตรงๆหรือเขาเซลอะ่ะแต่เขาเซล์แบบเนี้ยมันเหมือนกับเซลไปที่หลักการศาสนาใช่ไหมเออมีคนนะที่บอกเนี่ยเนี่ยละหมาดแล้วรวยขึ้นไหมล่ะเอาเวลาทํามาหากินดีกว่าเนี่ยเออ ใชค่คือคือคือบางคนหมวกเนี่ไม่หยุดเลยนะหมวกไม่หลุดเลยนะแต่ไม่ละหมาดก็มีนะ <laughs> <laughs> <laughs> เอ่อเอ่อใส่หมวกนี่ไม่หยุดเลยขายวันทรงวันศุกร์ไปละหมาด้วใส่หมวกขายของอยู่เอ้ยเราก็บอกตกลหมวกมันอีมันใส่เพื่อละมันใส่จะไปละหมาดบ้างเปล่าดังนั้นอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเมื่อสมัยพันสี่ร้อยปีเนี่ยมีคนเยอะหยันศา ส, สนาของอัลลอฮ์นะมองว่าเป็นเรื่องโบ ร, ราณเรื่อง คำคื อ, อ, อว่ากันไปแต่ในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องไม่เอาคมพวกนี้เนี่ยมาเป็นมิตรมาเป็นพวกเพราะเขาประกาศตนเป็นเป็นศัตรูอย่างชัดเจนใครบ้างละ่ะอัลลดีนาอูตุลกิดแตบะมิงกอบบริกุมพวกแรกเลยก็คือพวกที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าพระเจ้าก็คือยาฮูนและก็นาสอรอพวกนี้เย้ยหยันนะหลักการศาสนาอันที่สอง วะกุฟฟารออาลิยะและก็บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนะอัลลอฮ์าบอก ว, ว่าวัตกุลลอฮอิงกูนตุมมุมีนูมุมีนีนขอโทษทีพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดหากพวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่ศรัทธานะอันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับ อีอันหนึ่งที่เราจะเจอแน่นอนเลยสมัยก่อนนะใครส่งลูกเรียนศาสนาจะโดนเยืยหยันเยืยหยันว่าอะไรส่งลูกเรียนศาสนาจะทำมาหากินอะไรจะ อ, อะไรกินทำไมไม่ส่งลูกไปเรียนสามันส่งลูกเรียนศาสนาทำไมนะและก็รู้ไหมพี่น้องผูมีมาทั้งหลายออไอคนที่ส่งลูกไปเรียนสารมันเนี่ยทุกวนันนี้บางคนนะ เพิ่งมาถึงบางอ้อหรือตาสว่างว่าโอ้รู้เลวอ่ะไอสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันผิดเพราะพอสิ่งที่มันเสียหายเนี่ยทรัพย์มันมีก็จริงพี่น้องแต่ทรัพย์เนี่ยมันออกนอกลูกนอกทางหมดเลยแต่คนที่เรียนศาสนาเนี่ยทรัพย์มีและต่อยอดและอัลลอ์ก็ให้ความจำเรินมีบรารักัตไงอัลลอฮ์ให้มีบารากัตนะครับ บางคนถูกขัดขวางจริงๆนะวันก่อนฉันไม่คุยกับผู้ใหญ่เนี่ยแถวห้าแถวรามห้าสามเนี่ยนั่งคุยกันเขาบอกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนนอกเพราะโดนโดนบางคนเนี่ยขัดเอาไว้ขัดทําไมล่ะเพราะว่าเขามองว่าถ้าเรียนศาสนาแล้วไม่รู้จะไปทํามหากินอะไรก็เลยโดนขัดเอาไว้ทั้งๆนี่หัวสมองเนี่ดีมากนะแต่บางทีไม่ถูกไม่ได้รับการสนับสนุนอ่าอันนี้ก็เป็นการเย้ยหยันเหมือนกันนะพี่น้องต้องเปลี่ยนความคิดนะครับ อ่ะคํ า, าว่าเรียนศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันทำหมากินอย่างอื่นไม่ได้นะเออค้าขายได้พี่น้องผมก็ค้าขายได้เ อ, อ่อทำอย่างอื่นได้ไม่ได้หมายว่าเรียนศาสนาแล้วทําอาชีพอะไรไม่ได้เลยเออก็มีเวลาก็ไปทําอย่างอื่นต่อแต่การมีศาสนานี่แหละมันจะดูแลและปกป้องตัวเราและครอบครัวของเราเอาต่อมาอายะต่อมาอายะที่ห้าสิบแปดโลว่าอีดาณาไดตุมอีรัสซาเล อิตตะคอซูฮาฮูซัววาลาอีบะและเมื่อพวกเจ้าเนี่ยได้เรียกร้องไปสู่การละหมาดพวกเขาก็จะเอาการละหมาดเนี่ยเป็นที่เยื่หยันเหมือนไกับไอ้บางล้านชามเมื่อกี้พอเขาจะละหมาดเสร็จบ้างไม่ละหมาดกับฉันด้วยหรอละหมาดทําไมอ่ะเอาเวลาทำอาหากินดีกว่าอาลัลลอฮ์รู้เราจําเป็นนี่มันบอกงี้ด้วยนะอลัลละฮ์รู้เราจําเป็น <laughs> เออ ปรากฏว่าเวลาเรียกไปสู่การละหมาดเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาเปล่าๆนะมองเป็นเรื่องเสียเวลาทั้งๆที่การละหมาดนี่เเละคืออามันที่สุดยอดของความประเสริฐคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะไม่เอาละหมาดมาแลกมาแลกกับสตังอย่างแน่นอนต่อให้ จะมีสตางกองอยู่ขา้างหน้ามหาสารขนาดไหนแต่ถ้าเลือกระหว่างการขาดละหมาดเขาจะไม่เลือกเขาจะเลือกละหมาดก่อนนะและก็ไม่ทําละหมาดแบบล้อเล่นล้อเล่นแปลว่าอะไรพี่น้องล้อเล่นก็หมายถึงว่าละหมาดให้มันผ่านไปด้วยเพราะในในฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่าแปดิกุตสีด้วยนะความหมายนะเอาเอากรมมกรความหมายก็คือว่าหากบ่าวของข้าเนี่ยแบ่งเวลาให้แก่ข้าในการทําอิบาร์ดะ อัลลอฮ์จะให้มีริสกีมีการเพิ่มพูนส่วนถ้าบ่าวคนไหนของอัลลอฮ์ที่ไม่ให้เวลากับฆ่าเลยก็คือให้เวลากับรอละมงละมาไม่เอาเลยอัลลอฮ์จะให้มีแต่งงานและก็ไม่มีเงินมีแต่ ง, งานแต่เ ง, งินจับโตจับตัวไม่ได้มันหายไปหมดไหลไปหมดแต่งงานอเยอะนะริสกีมีดิสกีมีแต่มันไหลออกไปหมดหมดไม่เหลือแล้วก็ยุ่งทั้งวันจะยุ่งนี้นแหละยุ่งไปไอคนละมาดอีก เชื่อไหมล่ะไอ้คนไม่ละหมาดเนะี่ยยุ่งไล้คนละหมา ด, ดีิคนละหมาดไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ <c oughs> เออและความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าตอนละหมาดเนี่ยใจต้องตัดด้วยนะเออถ้าใจไม่ตัดนี่ก็ถือว่ายังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นถ้าละหมาดอยู่ฟังดิฮะอ่านแต่หูก็คอยดูว่ามีมีออเดอร์เท่าไหร่แล้ะฮะสามโลละ โ, โอเคสามโลมาต่อต่อตอนแรกเนะี่ยสั่งสามโลใช่ไหมก็เอาซาบีฮิตพอตอนหลัง เจเจเอาสิบโลสิบโลปั๊บ้วก็ที่สองเลอคุณวันล้อแล้วพอ่อเลยเดี๋ยวไม่ทันโห่ก็อคอยฟังตลอดเลยว่าใครสั่งอะไรมัง่งไอ้ยางงี้พี่น้องยังตัดไม่เจมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตัดนี่ก็คือต้องไม่สนใจแนละ้วใครจะมาสั่งช่างมันขอฉันละหมากรล้อ ก, ก่อ น, อกกอนพอเสร็จปั๊บว่ากันไอคนนั้นมันจะไปสั่งร้านอื่นอออ ก, กับช่างมันพ่อลอกกำหนดดีสกีมาแล้วเด <c oughs> ี๋ยวมันเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็กลับมาร้านเราอีกแลหละเอ้ยแม่เออ แล้วเดี๋ยวต่อและต่อไปนี้เนี่ยคนรู้เลยนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นะคนรู้เลยเพราะเาเห็นละหมาดปั๊บเนี่ยเขารู้แล้วเขารอเลยห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวกลับมานี้ละหมาดให้เต็มที่เลยเดี๋ยวฉันกลับมาไปเดินตรงอื่นได้ชงได้ชากลับมาก็มาสั่งร้านเราอันเละเออเพอมีร้านเดียวใช่ไหม <laughs> เอออัอนนี้ไม่เอานะถ้ามีร้านเดียวละหมาดคุ้ชัวพอมีสองร้านปั๊บเอาแล้ว เ, เริ่ม <laughs> เอออ่ะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายแปลให้เข้ากับ ปัจจุบันหน่อยนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแบบนี้คำถามว่าคนที่พยายามขัดขวางเรื่องละมาหรือล้อเล่นกาละมาเนี่ยในฮะดิษบอกว่าคือคนที่มีลักษณะเหมือนกับชัยตอนชัยตอนมันทำยังไงชัยตอนเนี่ยงานของมันเลยนะก็คือมันจะมันจะมันจะหนีงานของมันก็คือมันจะล่อลวงคนละมาดมันจะหนี เวลาได้ยินเสียงอะไรครับเสียงอาจาร น, น บ, บีบอกนะพอได้ยินเสียงอาจารเนี่ยชัยตอนมันวิ่งวิ่งแบบไหนรู้ไหมวิ่งแบบตดกระเจิงไปเลยตดตกเอ่อตกตดแตกเออหายลมกลัวจนขี้หดตดหายประมาณนั้นแหละนตะตดแตกเลยมันมันหนีขนาดนั้นเลยนะปรากฏว่าพออาจารจบ ในฮะดิษเล่านะีเรามองไม่เห็นเรกแต่เราต้องเชื่อแบบนี้อ๋อเราบอกในฮะดิษบอกพออาจารจบชัยตอนกลับมาเหมือนเดิมเออนี่มันคิดดูดิมันเอาเรื่องขนาดไหนมันไม่หนีแล้วหนีเลยนะมันกลับมาอีกพอกลับมาอีกในบางรายงานบอกว่าถ้าเป็นอีกกอ ม, มาท ก, กลับไปแล้วก็กลับมาอีกในซูบโบเนี่ยมันกลัวประโยคนี้ด้วยอัสซาลาตูคอยรุมมีนันเนา้าคาดิตัสวีปประโยคเนี้ไล่ชัยตอนด้วย แต่เราไม่ค่อยได้ยินเพราะเราหลับเพราเรานอนอยู่พอพอถึงอัสซาลาตุคอยรุ ม, มินันเน้าเนี่ยมันก็หนีไปรอบหนึ่งคือมันหนีไปแล้วรอบหนึ่งพอมันจะกลับมาพอมันเจอประโยชนที่มันหนีสุดท้ายพี่น้องครับพอละอาดานจบเสร็จปั๊บมันก็มาประจำการของกับผู้ละหมาดและให้คนละหมาดเนี่ยสับสนในการละหมาดเดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมนี่กี่รการแล้วนะ ซึ่งอันนี้เป็นอาการปกติใครเป็นเนี่ยถือว่าปกตินะเพราะถือว่างานของมันเซตอนแต่อิสลามมีวิธีแก้โดยที่ให้เราทำการสุยสุดซาวีถ้าเราจำรอกการไม่ได้แค่นั้นเองถ้าจำรอกการไม่ได้เอาจํานวนที่เรามั่นใจหรือถ้าไม่มั่นใจเลยไม่รู้เลยก็เอาจํานวนน้อยไว้ก่อนและทำเพิ่มเข้าไปพอทาเพิ่มเข้าไปเสร็จก่อนจ้ะ เดี๋ยว ส, สอนจะเดี๋ยวสอนนะพอเวลาเราไม่รู้แหละนกกาี่เท่าไรสมมติเรายืนอยู่เนี่ยหนึ่งหรือสองวะเนี่ยหนึ่งหรือสอง เ, เอาหนึ่งไว้ก่อนแต่เชื่อไม่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอยู่สองแหละจริงๆเพราะคนเราเนี่ยไอ้นอกไอ้หนึ่งไม่นึ่มแล้วมันจะมาลืมไอ้สุดท้องนี่แหละส่วนใหญ่นะเออถ้ามันหนึ่งกับสองกส่วนใหญ่สองกันแหละ แต่ถ้าเกิดเราก็ไม่รู้จริงๆไม่มีใครบอกเราไม่มีใครเราละหมาดคนเดียวเนี่ยเอาจํานวนน้อยไว้ก่อนเสร็จแล้วพอเราละหมาดไปยันจบพอถึงสละวานะบีจบแล้วเนี่ยอย่าพึ่งให้สลามอ่าหรือดูอาก่อนให้สลามก็อ่านก่อนได้เลยนะเละลงไปสยุดสองครั้งนะอ่านเหมือนเดิมเลยสุบทานนรอบเบียนอาลา น, ะลน่ะแหละนะสยุดสามครั้งอ่าสยุดสองครั้งนะอ่านสมครั้งอ่านหครั้งแล้วแต่ตัสเบีย เสร็จแล้วก็มานั่งไอระหว่างนั่งไม่มีอ่านนะบางคนรั บ, บิฟิลีต่ออีกไม่มีอันนี้นั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆเสร็จปุ๊บสุญญอีกครั้างหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็นั่งหลังจากนี้ไม่มีการอ่านอะไรแลว้วให้สลามเลยนั่นแหละอัลฮัมดูลิละใช้ได้แลว้วไม่ต้องไปถามใครแล้วมาคิดเพราะไม่งั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะเราละหมาดไม่จบหรอกวนอยู่งั้นแหละเดี๋ยวก็ละหมาดใหม่ละหมาดใหม่ละหมาดใหม่นี่แหละคือการทําลายทําลาย การงานของชัยตอนมันเล่นเราไม่ได้แร้วมนเล่นเราเรามีทางออกเอาสิลืมกันเราก็ละหมาดเพิ่มได้อีกเห็นไหมเพิ่มไม่ด้วยหรอเนี่ะไม่รู้เพิ่มหรือเปล่านะแต่เราไม่รู้หรอกแต่ล l l a h ให้ให้วิธีการในการจัดการกับมันดังนั้นชัยตอนมันทําะมันทำลายคนละหมาดอยู่แล้วโดยการที่ทําให้เราไม่อยู่กับใจอยู่กับ Allah คนถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือลักษณะของไซตอนนะร้อยวันพันปีเราละหมาดอยู่ไม่เคยมาเปิดเสียงให้มันดัง วันนี้เปิดเสียงล่าบานให้ดังกวนเราอย่างนั้นเนี่ยเราจะละหมาดสุดาอย่างนี้กำลังละหมาดอยู่ไอ้นี่กับเปิดเครื่องเสียงเบิ้ลรถให้มันดังเนี่ยการงานช้ตอนทั้งนั้นนะเนี่น้องระวังนะจ๋ า, จาลืมรืกลัวอ้าดีมากเลยมั่นใจไหมว่าลืมหรื ก, กัว <c oughs> <c oughs> หร <c oughs> ืกลัวนี่เป็นอุกุล น, นะ ดุ ก, กัวนี่เป็นดุกลถ้าลืมไปแล้วเนี่ยต้องกลับคืนเดิน ม, มาสมมุติสามติเราลืมลุ ก, กัวโลลงปุ๊บไปสูดอันนี้ละหมาดยังใช้ได้อยู่แต่เราต้องกลับคืนมายืนตรงแล้วมารุ ก, กัวใหม่เรียงลําดับใหม่เงื่อนไขของมันก็คือต้องไม่ข้ามมารลก้าที่สองสมมตุติมาลก้าที่สองแล้วเฮ้ยเมื่อกี้รอก้าที่หนึ่งลืมลุ ก, กัวนี่ห้ามพูดนะเนืงน่งในใจนะพูดไปเสียนะเออ โอ๊ยเมื่อกี้ลืมรู้กัวนึกในใจแล้ลืมมั่นแน่นอนเมื่อกี้ฉันไม่ได้รู้กัวอยู่ดีลงไปเลยแล้วมันจะย้อนไม่ได้เลยพ่อใดเพราะมันขึ้นรอกการที่สองแล้วไอ้ที่ผิดแต่มันอยู่รอกการที่หนึ่งกลายเป็นรักการที่หนึ่งเนี่ยฟาวไปเลยก็ทําเพิ่มไปอีกหนึ่งรักการฮะไม่ละมานไหมรักการที่หนึ่งกไมนับแล้วเพราะมันใช้ไม่ได้ไงมันขาดรุ้กลัวก็ทําเพิ่มอีกหนึ่งรักการเลยทําเพิ่มอีกหนึ่งรักการเลยก็ทําเหมือนเดิม ถ้าเหมือนเดิมก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรักาเหมือนขาดเหมือนรอกาขาดไปอะ่ะอ่าเหมือนรอกกาที่หนึ่งขาดไปเหมือนทุกอย่างเลยครับก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรอกกาเองแค่นั้นเนี่ยเพราะว่ารอกกานี่ันฟาวแล้วมันขาดดุ ก, กัวอืมมันมีวิธีแก้ของมันอยู่แต่ถ้ายังไม่เกินเข้ามารักกาใหม่นะย้อนกลับมาถ้านั่งอยู่ละ่ะนั่งระหว่างสองซยุดละ่ะได้ไหมยังได้ลุกขึ้นมายืนเลยแล้วก็รุกลัวแล้วก็เอียตีดานแล้วก็ทําใหม่ แ ล, แ, ลและและนี่จะยังไงทุกนั่งอยู่นี่มาถึงก็ลงกวั้วเลยเหรอมันต้องยืนตัวตรงก่อนสิเพื่อจะลงลูกกั้วไงมันยากนะนี้สมมตินี่จะขึ้นมาถึงแล้วทกกวําลงกั้วเลยเนี่ยทํายากนะจ ฉ, ฉันสอนดีให้ง่ายต้องยืนตัวตรงก่อนเพราะเพราะก่อนจะลงไปลง ก, กั้วมันต้องยืนตัวตรงคือถ้ากลับมาลง ก, กว้วเลยแต่ทำยากมากขึ้นมาแล้วทกกวําลงกั้วเลยโอ้โหมันยืนตัวตรงก่อนเหตุ <c oughs> ที่ตัวตรงไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราจะได้ทําการก้มลงไปไครับอืม อ่ะเราดูลิลแลนะอ่าดีดีดี ด, ด, ดีจริงจริจริ ง, ร ง, รงเรื่องนี้นต้องต้องมันมันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครับมันจะเกิดเป็นสถานการณ์นะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านหนังสือกันต่อนะัลฮัมดูละได้ความรู้ด้วยห้าสิบเก้าถึงหกสิบสามยาวนิดนึงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอายะ กุลยาอัลฮ์ล์กิตาบิฮั ه ทัลกิมูนัมินน م ก ن ลยา ลัลกิตาบิฮัลตะกิมูนาหมินน่าอัَลอฮฺอัลกิต ن บิฮัลตะกิมูนาหมินอลออมัมนาบิล และหัวแมวสีลายไลน์น่าอิ่มแล้ว อนอาแมนนับลลวมะอุลอลลอาแนวม ละมกับลวอันนักุ่มฟสกูนมาอุละมกับลัอันกุมฟสกูนอ่อีกรอบนึงนะว่ามา วَามาอันซีละَีกับลุวานนَกทารกุมฟาสิกุนว่ามาอันซีละมี อุลฮลอูนับ ب ิอุคุมบิชาร์ริมดะลิกะมาซูบะตันดะลอฮ์บิคุมบชาริม ดีครับนะตรงนี้นะมีทั้งหมดสามตัวต้องนวงนะหนึ่งก็คืออูนับบีอู ก, กุมมีมตายพบบาอิกฟาเชาฟฟวีกุมบีชัดริมบีชัดริมมี้มืมม้นูนตายพบแดนอิกฟามี้อลิกะมาซูบาตัน แล้วก็นูนพบดาลีตัวหนึ่งอิดัลลอห์อิดัลลอลลอีกรอบนึ่งสี่ที่สีที่นะมีมตายพบบาแล้วก็อิดากอมริมแล้วก็อีกฝ่ายสองตัวกุลฮ<า>ัลอูนั บ, บอูกุมบิชร ริมลกนัมาทูบตดัล ล, ล, ين ين ล, ลออะดีมากครับ มลลาุลอห์ว่าโลยอ่านดยดีนะมีฮาด้วยมลลาุลอหุลลตัวฮานะว่าโดีว่าโดีไม่ใช่กรดนะกรดีบ่าอะไร อิ you know, ่งอบเลงม่ละแง่ของพรลองค์และโกรธาป ว่าจ ه ُอาม ل นหูมูลดต عبد ตั้งทากุตคิรดี عبد ตั้งทากดูดีนะ ว่าจะว่ ل จะเล่ามินฮูมุลคีควีควีราดัตต ا ควีราด ا ตตาวัลขานาซีรว่บวบดตวบดัตวัตตัวตอเลยนะเสียงแน่นๆนะว่าอาบาดตอกูดบางคนนึกว่าเป็นเป็นก้อนกละอาบาไม่ได้มันมีสัตมันมีสระฟัาทาอยู่อาบด อูดอีกรอบหนึ่งวะจ ن เอาจัลหมินฮูมุลตีรัดตะวัลขานาซีรอวะ عبد ตะอูด و َ่าอِ ك َ شر َมมักน้ و ว أ َ ض ظل ُ عن سوائِ السبيل م ك ن ا ว่ س َลุ่งสวาย ส, สบิลนะอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้จะมียาวอยู่ตรงสว่าอุเลกับสวานะเก็บลมตรงนี้สอ ง, สองที่นะมัตวาญิบอุเลอีกัชชร ร่มแกันวะอแลดลเงินสวายสบีล ว่าอีดะจ้าอุคุมกล م َ ن อّ ا, آ و َ إ ِ ذ ่าอีดะُ้าอุคุมกล่ ا آمَنَّا وَقَدْ ได้เข้าลู่ไปลกูกฟรีว่าหุมาาาาห่มกัดข้ารัจุบิตรงนี้นะดันมันเปิ้นไม่ต้องมีก้อนกอละนะเข้าไปที่ดันตัวที่สอง เนะีเพราะว่าถ้ามีก้อนกรลาจะอ่านเสียงยากมันไม่ได้เพราะดันมันติดกันก็เข้าไปที่ตัวดันตัวที่สองดังนั้าจึงไปใส่ชัดดะที่ดันตัวที่สองก็คือว่าก็ดะคอรูอันนี้เลยว่าก็ดะคอรูบิลกูฟรีวุ่มก็ดอันนี้ต้องมีก้อนกรลาแล้วก็ดก็ดแรกไม่มีก็ดที่สองมีก้อนเสียงสะท้อนก็ดะเห็นไหก็ดคอรูบีแอบอีกรอบนึง วَ ق ก د ดดั่วขลุบ ilkufri ว่าหุมกัดขาราจูบิَะลาห์อัลลอฮฺอัลَอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลَฮฺอัลลอฺِอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺُัลล อุดวานะอยู่ตรงนี้นะลองดูวะเตรอเซีรมมินฮุมยูซาเรอเน่ในอิทมีวอดว รอบนึงนะวัตรอวัตราเกษตรรมมินหุมยุซาริ عون นอิทธิ์มิวัดอวา َ่าเอَกลีห์มุสุฮตَเลบَสะมะกะนูยะม ل ลูนว่าเอ็กลีห์มُสْฮตะَุฮ์ตัวซีนสะดอมะ ไปตีฮาซุฮ์แอนซุฮ์ตานะเพราะว่าเราอ่านอ่านวซันอ่านต่อก็เลยอ่านเสียงสระตาด้วยถ้าเราหยุดตรงนี้วะอะคิลีฮิมุสฮะจ์กระจบนะพอดีลมหายใจเราหมดพอดีก็เลยมาหยุดตรงอุดวานและเราก็ต่อวะอะคิลีฮิมุสฮะจ์ต่แลบิซามาแกนุยะมาลูนไอ้รอบหนึ่งนะวะอะ ลิฮิมุสอะออกมาหนึ่งว่าลิฮิมุสุห์ทะเลบีสามารถนูยะมัลูนมุสุห์ทะเลบีสามารถนูยอหนึ่ง แล้วลายแห่หูมรรบาญยูนแลัลอาบารอแอกอลิฮ์มุลไอ้ธมรรบาญยู อิสมีมีมอยู่ข้างหลังนะปิดปากอิมแล้วก็มีปิดปากด้วยแล้วก็มีมีมข้างหลังอ่าไม่ได้ไม่พูดตามฉันมีมีมข้างหลังไม่ใช่มีมีมหมายถึงให้หยุดตัวมีมอินะมีมใช่มีมีมจากีจ่ะเสเห็นแล้วจ่ะอีกรอบหนึ่งนะลาอลยันฮะฮุมุรบ บานิยุนและอาห์บารุอัน قوله م ُ ل ِ ئ ْ h م อ๋อน่ชัดเจนเข้าใจเลย ว่าอัลลีฮิมุซ ل ฮฺท่าเَบิสา س ารَกานูยศน اؤ นวَาอัลลีฮิมุซุ س ฺท่าเลบิสามารَกานูยُ و اؤ นอะมาดูความหมายกันนะครับอ่า อายะที่ห้าสิบเก้าอายะที่ห้าสิบเก้าจงกล่าวกุลตรงนี้แปลว่าจงกล่าวใครกล่าวให้นบีมุฮัมมัดกล่าวออกไปแสดงวันมันต้องมีคนมานะ่ะมีคนมาก็คือพวกไหนพวกอะลุกีตามนั่นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าย่าอะลุนกีตทบโอ้บรรดาชาวคัมภีร์เนี่ย ท่านตันกีมูนามินนาพวกท่านมิได้ตำหนิติเตียนนะและปฏิเสธพวกเราเพราะอื่นใดเลยที่เขาปฏิเสธที่เขาติตำหนิว่านู่นไม่ชอบเนี่ยอิลลอันอามันนาบิลลานอกจากว่าพวกเราศรัทธาต่อ Allah อย่ฉันที่ฉันบอกตอนแรกไงไอ้ที่มันเกลียดนัมบีนั่นไม่ใช่ดะมีทําตัวไม่ดีไม่น่ารักไม่ใช่เพราะไปศรัทธาก่อนล้อนั่นแหละมันถึงไม่ชอบแค่นั้นเองนะไม่ได้ทําตัวไม่ดีแมะไรเลยนะครับอ่าไปขัดแย้งกับอารมณ์เขาความอิจฉาเรื่องของเรื่องคอิจฉาเลยอิจฉานี่คือต้นเหตุสําคัญที่เอาล้อบอกเอาไว้นะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ตามใจเพราะตามใจเขาเขาอยากจะมีหลอดสูนเป็นเป็นคนใน ในกลุ่มของพวกเขาก็คือยาฮูดยาฮูดีเขาก็อยากมีแต่ซึ่งเขามีมาก่อนหน้านี้นเยอะแยะเลยแล้วเขาก็ทําเรื่องเจ็บแสบไว้เยอะนะแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่า อ, อกลุ่มชนไหนก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ส่งรอซูดมาเนี่ยกลุ่มชนนั้นต้องไม่ธรรมดาเนะีก็คือต้องดื้อ น, น ะ, อะถ้าไม่ดื้อเนี่ยเขาไม่ส่งมาก็คิดดูเดยวยาฮูดมันดื้อขนาดไหนนะอัลลอฮ์ส่งม า, มาตลอดเลย เช่นเดียวกันกับกลุ่ม jahiliyah อารับมุสลิกีนที่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยนะเรื่องมอสียัด ต, ต่างๆซีนาเออยเรื่องพนันเออยเรื่องสุรามรลนันะทุกอย่างเรื่องตะกับบดโออวดถือยศถืออย่างถือตระกูลเป็นใหญ่นะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นและอิสลามก็แต่งตั้งท่านรอซูลส่งท่านนาบีลงมานะมีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ย ฉันอ่านในหนังสือประวัติก็คือก่อนจะเกิดสงครามอูฐเนี่ย เ, เขาก็ประชุมกันคนนี้ชื่อว่าซอบวานซอบ ว, วานเดิมเดิมซอบวานนี่ก็คือซอบวานบินอุมัยะตอนหลังมารับอิสลามหมดแหละพวกนี้มารับอิสลามหมดตอนนั้นยังเป็นศัตรตูอยู่เนี่ยเขาก็พยายามหาเส้นทางจะหลบเลี่ยงกองคาราวานเพราะว่าครั้งแล้วนี่โดนโดน สงครามบดัดไปก็เสียหายก็เลยวางสงครามวางเส้นทางใหม่เดิมเนี่ยเขาจะเดินเดินทางผ่านชายทะเลนะครับเพราะว่ามันเดินง่ายเพราะชายทะเลมันลักษณะชายทะเลเป็นยังไงมันเรียบส่วนภูเขาเนี่ยมันยากต้องเดินเลาะแล้วตามร่องไล่ขาวมันก็อ้อมช า, ชายทะเลนเนี่ยมันเรียบไปเลยเพราะตอนหลังเนี่ยเขารู้แล้วเส้นทางเนี่ยต้องผ่านเมืองมาดีนะจะขึ้นไปชามก็เลยไปหาเส้นทางที่อ้อมทางใต้ และก็อ้อมเมืองมาดีนะาไปแต่ซอบบานมินอวยยะเนี่ยไม่รู้เส้นทางแต่ไปได้คนคนหนึง่งซึ่งคนนี้รู้เส้นทางก็เลยมาวางแผนเพื่อจอากองคารวานไปค้าขายเพื่อจอากกำไรมาเพื่อจะมาทำสงคราม่นเละแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่วางแผนกันน่มีไม่กี่คนพอตอนหลังไปนั่งดื่มไปกินเหล้าและในวงเหล้าเนี่ยพอดีมีคนที่รับอิสลามแล้ว มาคนก็งงเลยอ้าวแล้วกินเหล้าได้งไงก็ตอนนั้นยังไม่ห้ามเหล้าตอนนั้นยังไม่ห้ามนะก็ไปนั่งอยู่ด้วยเกิดลังกงอยู่ด้วยพอไอ้นั่นเมาเสร็จปั๊บก็หลุดแผนการหมดเลยไอ้นั่นก็ฟังอยู่นะคงคงยังไม่เมามากเท่าไหร่อะพอฟังแผนการท่านั้นแหละพอสางปั๊บขี่ม้าไปหานับีเลยที่เมืองบดีนทะไปเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเดี๋ยวกองคาราวานนี้จะมาตรงนี้ตรงนี้นี่นีอา้าวอับีถามไปรู้มาจากไหนอะวงเล่าจ้ะ เออว่าตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ห้ามเขาบอกว่า ไ, ไอน้น้ำเมาเนี่ยบางทีมันก็ประโยชน์มันก็มีนะคืออะไรรู้ไหมมันคลายความลับได้เออไอ้ทีเพาไม่มีสติแล้วไงไอเ้เรื่องไม่ดีก็พูดออกมาและก็เรื่องที่เป็นความลับก็ระบายออกมาแต่ว่าไม่ไม่ได้นะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะไปเมาเขาไม่ได้นะเออตอนนั้นยังไม่ห้ามเรื่องเล้านี่เล่าให้ฟังเขารงเกียร ่แรงเกียจไม่ใช่อะไรเลยก็คือเพราะอะไรเพราะเพราะรับอิสลามเนี่ยแหละเพราะศรัทธาอิลลามันนาบิลแหละว่ามาอุนซิละอีไลนาแล้วก็สิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราว่ามาอุนซิละมิงกอบและสิ่งที่ถูกประนานลงมาก่อนอันนี้หมายถึงกุรฎาอนอณาแรกก็หมายถึงกุฎานแก่เราก็คือกุฎานและก่อนหน้านั้นก็คือคมภีของอัลลอืม ว่าอันอักซารอกุ้มฟาซีกูนและแท้จริงส่วนมากของพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่ละเมิดมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะละเมิดแม้กระทั่งคนดีก็ละเมิดนะพี่น้องอมีเหรอคนดีไม่ละเมิดคนดีก็ละเมิดแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่นะดังนั้นอัลลอฮจึงให้อามัณในการล้างล้างบาปนะ ดังนั้นทุกครั้งที่เราละหมาดทุกครั้งที่เราละหมาดเลยนะพี่น้องนะตั้งแต่อาบน้ำละหมาดจนกระทั่งละหมาดแม้กระทั่งดีเกตหลังละหมาดเนี่ยฟอดีลาหลายอันจะบอกถึงการลบเลยลบลาบลบล้างบาปแสดงของพวกเราเนี่ยมันบาปเยอะเหมือนกันนะต้องต้อ ง, ต, องต้องทำอามันเรื่อยถ้าไม่ทําอามันนี่จบเลยบ า, บ, า บ, าบาปบาปบเต็มตัวเลยยิ่งอาบน้ำละหมาดบาปก็หลุดไปพอไปละหมาดสูยุทธ์กอลล์ Allah, ยิ่งสุยุดธ์กอลล์ก็ลบบาปไปไเรื่อย อันหนึ่งเขาทำเขาทํากราฟิกดีมากเลยนะพี่น้องรู้ไหมเขาสมมุตินะเขาสมมุติว่าบาปเนี่ยถูกทูนเอาไว้ที่หัวเหมือนคนทูนน้ําอ่ะแล้วเวลาแถวรุ ก, กัวปับ๊บมันก็จะหล่นนิดนึงแต่เวลาสุยูดปั๊บไปไงหมดเกลี้ยงเลยพี่น้องพอขึ้นมาไอทีนึ่งไอที่บาปที่อยู่บนหัวเราหายล่ะเขาเปรียบเทียบเฉยว่าเรามไม่เห็นบาปหรอกบางคนแบกไว้หนักเลยเป็นรถสิบล้อเลยแต่ไม่เห็นบาปเยอะแต่พอไปละหมาดปั๊บเดินออกมาตัวปิวเลยบาปล่วงหมดเลว น, นี่คืออามันที่อัลลอ์ให้พิเศษลบบาปบาปร่วงเออมา <c oughs> เ, อเนี่ยเนี่ยมันจะไปมันจะแปรดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเสียตรงนี้หละอ๋อบาปร่วงแล้วทำใหม่จ้ะ <c oughs> ให้มันร่วงยวางั้นแหละแล้วไม่ต้องไปหาไปหาสะสมสะสมความดีนะอ้าวดังนั้นอัลลอ์บอกว่ามนุษย์ส่วนพวกท่านทั้งหลายส่วนมากก็ และเมื่อก็ทั้งนั้นเอ่ออยังนั้นเราก็จะมีคํานึงว่าเราไม่ใช่มาริกาหรอกนะยังไงก็มีบาปอยู่แล้วเอ่อเราไม่ใช่มาริกาหนี่จะใสบริสุทธิ์ไม่ใช่หรอกแต่อัลลอฮ์ให้อามันเราในการลบล้างบาปเราเรื่อยๆอัลฮัมดุลิลละแล้วคิดดูเลยผู้ไม่ละหมาดจะเหลือไหมล่ะไม่อับนั้ละหมาดไม่ละหมาดไม่อะไรเต็มตัวไปหมดน่ะเอ่ยนายันห้าเวลานะละหมาดใครครบบาปก็ร่วงไปน่ะข้าต่อมาหกสิบจงกล่าวเธอมูฮัมหมัด อ้ า, อาบอกนะคุจงกล่าวถึงมุ่งมั่ฮัลอุนับบิอุกุมบิชริมมินซาลิกมาสูบัตันอินด allah จงกล่าวถึงมุ่งมั่นว่าฉันจะบอกให้พวท่านทราบดีไหมนะดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นคําถามแต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่อัลลอฮ์จะแจ้งให้เราฟังบอกให้เราถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งนะที่อัลลอฮ์การลงโทษ ที่เลวร้ายยิ่งนที่อัลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์ส่งอันแรกเลยคนที่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์อย่างรุนแรงเลยเนี่ยหนึ่งก็คือคนที่อัลลอฮ์สาบแช่งลานแน่ลอานลอานแลาอันแแปลว่าสาบแช่งสาบแช่งตรงนี้แปลว่าอัลลอฮ์ระงับความเมตตาอัลลอฮ์จะระ ง, งับความเมตตากับเขา ใช่เพราะมันชอไม่มีความเมตตาเมื่อใดที่เราล็อกแล้วรับความเมตตาคนนั้นหาดีไม่ได้แล้วหาดีไม่ได้เลยนะเพราอเราไม่เมตตานี่คืออยู่ไม่ไม่ไม่อยู่ในสายตาถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเนี่ยไม่มีค่าเลยเลยนะไม่แคร์ไม่สนใจแล้วถ้าเป็นคนเดียลเราตัดความสัมพันธ์ไม่แคร์แล้วเนี่ยหมดท่าเลยพี่น้องนะแต่คํานี้ก็คือคำหวานล้าแน่ซึ่งแปลว่าสาบแช่งอันนี้ในสาบแช่งเนี่ย มันก็จะมีบาปที่เราว่าไว้กินสินบนกินสินบาตรค่าสินบนเนี่ยผู้หญิงถ้าปฏิเสธสามีเออไม่หลับนอนหมายถึงอะไรสามีชวนหลับนอนแล้วไม่ไม่ตัวเองสามารถที่จะให้ความสุขได้ไม่ได้มีสาเหตุนะจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีประจำเดือนนะบางคนบอกอาจารย์เหนื่อยล่ะ <c oughs> เหนื่อยละ่ะเออ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ ไปดูตถาม <c oughs> คืออยงนี้มีน้องมีหมาทั้งหลายเรื่องศาสนานี่เราคิดเองไม่ได้ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะไม่ได้ทะลึ่งตึงตังมีผู้หญิงคนมีผู้ชายคนหนึ่งที่โดนิเซียนี่เรื่องจริงพอแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งเสร็จได้ประมาณสี่ห้าเดือนจูงจูงผู้หญิงไปคืนแม่ยายสาเหตุที่จูงไปคืนแม่ยายพออนะ่อใดรู้ม พ่อผู้หญิงเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเดียวซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์สามีกลับมาบ้านงานบ้านเต็มเหมือนเดินบ้านสูบ ก, กระปกเหมือนเดิมไม่ไหวแล้วสามีบอกไม่ไหวแล้วฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้เอาไปคืนแม่ยายแล้วก็บอกแม่ยายด้วยว่าเลี้ยงลูกให้ดีหน่อยนะทําไมไม่ให้ลูกทํางานบ้านฝึกอยู่อะไรนะทํางานบ้านทํากับข้าวดูแลสามีแม่ยายสวนเลยนี่ลูกกูเป็นคนใช้ เออนล้ลูก <apologize> กูเ <enjoy> ป <mileage S 1> ็นคนใช้เหรออันนี้ของจริงนะชาวนิดออกไปสองฝ่ายฝ่ายแรกก็ตําหนิผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงไม่มีคุณลักษณะเป็นแม่สีเรือนแม่บ้านอีกฝั่งหนึ่งผู้หญิงเองบอกว่าไงเฮ้ยแต่งงานไม่ใชมาเป็นคนใช้ทําเองดิเออร้อนี้ในอิสลามว่าไงยุ่งแล้วท่านนบีทํางานบ้านไหมทํา ท่านนบีทํางานบ้านนบีเย็บเสื้อทํางานบ้านนั่นหมายความว่าถ้าผู้หญิงไม่ทําผู้ชายก็ทําแต่ประเด็นก็คือว่าไงรู้ว่าอัญญาคือผู้หญิงที่ดีเขาเขียนไว้เลยนะคุณสมบัติของผู้หญิงที่ซอยดีฮะเนี่ยเขาจะต้องไม่ทําให้สามีเนี่ยลําบากใจและแบ่งเบาภาระสามีเป็นงานอาสาแต่ได้บุญ นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ภรรยาทำงานบ้านดูแลบ้านนี่คือผลบุญทั้งนั้นเลยบางคนไปกินงานสุราแต่ ง, งานบ้านไม่ดูเนี่ยไม่ได้นะงานบ้านต้องดูด้วยนี่งานนี่งานที่ได้บุญด้วยไม่เพียงแ่ไปช่วยงานสุราได้บุญดูแลงานบ้านก็นได้บุญเพราะสามีกลับมาโอดท่มดูดินละบ้านเรียบร้อยเนี่ยทาให้สามีพอใจแล้วถ้าเกิดกลับมาปวดหัวเลยเช็ดต่อหลังจานต่อเนีนะ แค่นี้พี่น้องไหมตอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องคุยกันต่อต้องคุยกันก่อนจะแต่งต้องดูกันก่อนว่าผู้หญิงที่เราจะมาเป็นภรรยาเราเนี่ยเขาลักษณะแบบไหนถ้าเขาลักษณะมือเขาไม่เคยทํางานเลยนะผิวพันอย่างกับโอ้โหยวกเลยไ อ, อย้ยางเงี้ยให้เต็มตัวหาคนใช้ให้เขาจริงๆไปว่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะเขาไม่เคยทํากับพงกับข้าวไม่ต้องไปหวงังสั่งยังเยี่ยวสั่งสั่งไลเมน ตอนเวลาจะเลือกเขาถึงให้ดูไงนาบีบอกไปดูมือสิมือมือทำงานบ้านไหมเส้นเอ็นขาเป็นไงไม่ใช่เดินรวมปอะแป ะ, ะทำกับข้าวเป็นไงคราวนี้กาลังจะบอกกับพี่น้องว่าแต่เรื่องที่เป็นบาปแน่นอนอันนี้สามารถบอกได้เลยว่าบาปคือถ้าภรรยาไม่ยอมให้สามีหลับนอนนี่แหละคือหน้าที่หลักขอ ง, ของที่ศาสดา ก, กาหนดเอาไว้คือเรื่องที่จะหลับนอนแล้วก็ให้ลูก สามีถ้าได้นะถ้าชาวรัตถ้าได้นะอะเรื่องอื่นไม่มีบอกนะเรื่องการบ้านเป็นเรื่องตกลงกันถ้าเขาไม่ถ้าภรรยาไม่ทําเราก็ทําถ้าเขาทําไม่ไหวหาคนใช้มาแต่ถ้าเรื่องนี้จบเลย ห, หาใครได้ไม่ได้อ๋อวันนี้ฉันไม่พร้อมจะบังไปเที่ยวผู้หญิงไม่ได้เรื่องนี้แหละที่ว่าจะเป็นล้านนะนะอันนี้ผู้ อ, อ๋อรอคาดโทษไว้นะล้ า, น, า น, นเลยนะหมายถึงมีมาเลก้ามาสาบแช่งและ อ, อันหนึ่งก็ทําตัวเป็นผู้หญิงผู้ชาย จริงเยอะล้ว น, นะเนี่ยมีเพียบเลยอ้าวต่อมากอดีบารีแปลว่าอะไรโกรธคนที่อลัลลอฮ์โกรธวิธีการาที่อลัลลอฮ์โกรธง่ายสุดเลยเราทําให้อลัลลอฮ์โกรธง่ายสุดเลยทําไม่ดีกับมากับปานั่นแหล ะ, ละอลัลลอฮ์โกรธนะวันหนึ่งก็ถามดูมาพอใจในตัวฉันไหมจ้ะธรามะไม่พอใจเปลี่ยนตัวเองใหม่ ต้องทำให้พ่อแม่พอใจเมื่อทำให้พ่อแม่พอใจอัลลอฮ์พอพไทยถ้าทำให้พ่อแม่โกรธอัลลอฮ์โกรธอ้าวและในส่วนหนึ่งของหมูพวกเขาเป็นลิงเป็นสุกรอันนี้คนอันนี้หมายถึงพวกเยโฮสสมัยก่อนนะไอ้ที่ไปดักปลาวันจับวันซาบโตเนะี่ยอัลลอฮ์สาบให้เป็นลิงให้เป็นหมูมีซอบ้านะบีถาม อินนัลามยะลิกเกาแมนแท้จริงอัลลอะ์นั้นไม่เคยให้กลุ่มชนใดพินาศและไม่เคยเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มนึงแล้วก็ให้สืบสกุลบานปลายแท้จริงเปสุกรนั้นมีก่อนหน้านี้ไปแล้วหมายความว่าสุกรปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนแล้วนะสุกรที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เอาคนมาเชื่อดนะหรือลิงที่เราเห็นในสวนสัตว์เป็นคนไม่ใช่ มันจบไปตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเป็นคนแล้วก็เป็นแล้วก็ลอดสายเป็นลิงเป็นสุกรแล้วก็ตายไปส่วนสุกรที่เราเห็นทุกวันนี้หมูที่เราเห็นทุกวันนี้ลิงทุกวันนี้คือลิงจริงๆลิงที่เราล็อสร้างมาตั้งแต่แรกและมนุษย์เราก็ถูกสร้างมาให้มีเสื้อสายเป็นมนุษย์ตั้งแต่แรกไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นลิงก่อนแล้วค่อยกลายเป็นมนุษย์เนี่ยนี่นายดีานี่ตอบอาไว้อ้าวต่อมาและเคารพต่อเจวิตอ่าพอรบต่อเจวิต แ น, น่นอนแหละคนทีมเคารพต่อจมวิก็หมดสมภาพจากความเป็นมุสลิมไปแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะมีที่พำนักอันเลวร้ายและเป็นผู้ที่หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง61 61อัลลอฮ์บอกว่าไงและเมื่อพวกเขามาหาเจ้าอันนี้พวกไหนเนี่ยวัยอีเดจยอูกุมกอลูอามันนาะเวลาเข้ามาหานาบีเขาก็บอกว่าเขาศรัทธาแลว้ว ว่กอดดัคอรูบินกุฟโดยที่เข้ามาในสภาพในหัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยการปฏิเสธว่าหุ้มก็อดดัคอรูบีและก็ออกไปในสภาพที่เป็นกาเฟิอันนี้คืออะไรครับพวกมูนาฟิกปากแค่บอกศรัทธาแต่ในหัวใจก็คือปฏิเสธ ว, ว่าละหัวและมูบิมาการูยักตูมูนอัลลอฮ์ทรงรู้ดีดีสิ่งที่เขาปกปิดเอาไว้หกสิบสอง เละเจ้าจะได้เห็นมากมายในหมู่พวกเขาไอคนที่ซ่อนความเป็นกูฟต์เอาไว้หรือเป็นคนที่เป็นกูฟต์โดยชัดเจนนะนะวัตรอแกซีรอ ม, มินหุ้มยูซาเรอูนัฟินไอสจะเห็นมากมายว่าพวกนี้จะรีบกระโจนเข้าสู่บาปอาวิลอง ด, ด, ดูดิคนไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นศัตรูกอลล์เนี่ยเวลาขอไม่ดีมันไงมันกระโจนเลยนะอย่าเรียกว่ารีบเลยกระโจนเข้าหาเลยไอ กระโจนเข้าหาความชั่วเลยจะรีบเข้าสู่การทําบาปวัลอุตดาวานสิ่งที่เป็นศัตรูกันวะอะคลิฮิมุสแล้วก็ให้กินสิ่งที่เป็นอาธรรมให้กินสิ่งที่เป็นต้องห้ามกินก็คือไปบริโภคไปเอาของไม่ดีของไม่ฮาล้าเนี่ยเอามาใส่ตัวนี่คือคนที่เป็นศัตรูก่อนล้แล้วล้อบอกว่าช่างเลวร้จริงๆสาหรับการกระทาพวกนี้ปิดท้ายด้วยกับอายะที่ 63พี่น้องนี่คือความเลวร้ายซับซ้อนแล้วเด็กซ้อนเข้าไปอีกไม่ใช่ซับซ้อนซ้อนเข้าไปอีกทับถมเข้าไปอีกคืออะไรรู้ไหมเราแหละทำไมละ่ะผู้รู้แจ้งในเรื่องของอัลลอฮ์รับบารียุนวลอบับเบรเลกบันดาปราดนักปราดของพวกเขาเนี่ยจึงไม่ห้ามสิ่งที่พวกเขานั้นได้ทำไป เออพวกเขาทำสิ่งที่เป็นบาปแต่อคนที่เป็นผู้รู้ในพวกเขาเองก็ไม่ได้ปรามเลยแถมยังหาวิธีการซอกแซกให้ด้วยในสิ่งที่พวกเขากินกันในสิ่งที่เป็นเรื่องต้องห้ามอันนี้ช่างเป็นเรื่องที่เลวร้ายเหลือเกินพี่น้องครับอันนี้กลับมาบทหนึ่งที่เขาบอกว่าย่อนยานอะไรย่อนยานคนที่รู้ศาสนาทำตัวย่อนยาน เป็นความหายาณะของสังคมตัววันนี้ที่บาปมันเกลื่อนเมืองเพราะคนที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ไม่ตักเตือนไม่พูดไม่สนอะไรเดี๋ยวโดนทัวลงเว้ยเดินผ่านไปได้เฉยนี่คือว่านี่คือลักษณะของยาฮูในสมัยนั้นเลยยาฮูมันมีผู้รู้แต่ผู้รู้มันก็ไม่ได้อะไรเลยเอาตามสบายมันกลัวด้วยซํามึดังนั้นนบีจึงแจ้งโทษเอาไว้ว่า ม้มินโรยูลินยาคูนูฟีเก้ามินย่าแม่นฟีฮิมามาอาซีกลุ่มชนใดก็แล้วแต่ที่ทําความชั่วเขาทําความชั่วยะกระดีรูเนี่ยไออยู่กระีรูโดยที่เบื้องหลังของเขาเนี่ยก็มีคนดีๆอยู่ด้วยเหมือนกับเป็นฉากหลังอะไรไอคนที่มาทําความชั่วเนี่ยมันเห็นแต่เบื้องหลังเขาเนี่ยเฮ้ยนี่มันลูกโตอิมัมเลยไอนี่มันลูกโตครู ไอ้นี่มันคนอยู่ในชุมชนนี่บ้านมันหยุดธุกิจใจคนผู้รู้เลยอยู่ติดจะผู้รู้เลยแต่ปรากฏว่าผู้รู้เองหรือคนที่เป็นครูเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ทำการเตือนไม่การสัร่งสอนไม่ทำอะไรสักอย่างนึงปล่อยปล่อยเอาละบอกว่าอินละอัซอเบหุมบีอกอบรอรับบาลาได้เลยบาลาจะลงที่นั่นและไอ้คนที่รู้เนี่ยโดนไปด้วยฐานนะไม่เตือนไม่บอกนกลัวนะเนี่ยฮะดิษเนี่ย เอามาใช้ได้เลยพี่น้องครับว่าสังคมไหนก็แล้วแต่ที่มีผู้รู้แต่ผู้รู้ไม่ทําหน้าที่และรวมถึงไอ้คนที่ทําก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้รู้อีกต่างหากอันนี้เสร็จแน่สังคมนั้นก็จะถูกภัยบาลาและการลงบลาเนี่ยนาบีบอกว่าก๊อบละอันเอียมูตูจะไม่ต้องตายแล้วเจอนะไม่ต้องตายแล้วเจอนะเจอก่อนตายดังนั้นสึนามิมาเร็วที่ตาเห็นไหมกวาดลงไปหมดเลย อ่เราวังให้ดีอ่ะอ่านต่อนะครับหกสิบสี่แล้วก็หกสิบห้าว่กอลติลยาฮุดุยดุลลอฮิมะลูละ ตัว g e n นะมลุล่ะมลุล่ะตัวเก n นะเสียงมลูล่ะไอ้รอบนึงว่ก็ลลติลยูดูยาดุลอฮิมรุล่ะ กลั่นเลตเอิดิ و ์มวะَ ا อินุบิมากาลูกลั่น ه ِ م ْอَดُ ع ِมวะลูอินุบิมากาลู เบลยาดาหูมาบสูตเตนิวฟิกุไคไฟาเชาาา่มัฟจ่ากี่มัฟจ่าเอาหม่นะ <laughs> อ๋อ ก, กี่ออกตัวแรงไงเ่าใหม่นะใหม่ใหม่ไม่เป็นไร ฉันก็อ่านผิดตอนแรกเนี่ยเนวันนี้วันนี้ตื่นไวไงอ่านไม่ได้ตีห้าแล้วอ่านหลายรอบอ่านยากอ่านวันแรกก็ผิดเอาใหม่นะบบลยดาหุมมะบซูต่อต่อีรอบนึงบลยดาหุมะบสูต่อต่ยุฟกุไกฟยาช ดีครวะเลยาซีดันแกฟีรัมมินหุมมาอุซีลาอิเลยกับมิรบบิกะตุกยานาวักุฟรา อ่านทำดีละไหวแน่ไหวอ่ะอ <un> ่านกันหลายคนไงคนนึงอยู่ดีคนนึงต่อเอออคนคนเดียวเนี่ยรักหายใจไม่ได้ไงการหลายคนรักหายใจกันได้อ้าวอีรอบหนึ่งนะวาลียซีดันนะกีธีรมมินหุม มาอุซิลอิลัَกามิรับบีกัตุกิยานาวัควุฟร ز มาَ إ ِ ل ลอْลَ م กามิร ب บบ ك ก ت ตْุ ي َ ا นา ا แลَกร ق َ้าว่าลَ ي นัَนเบียนหุ้มอَล غ ْ ض َ ا ء َ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ รอบหนึَงว่าอัลกอีน่าเบียนะฮูมุ و อาด و َ ا วะَวัลบَง ضاء إلى يوم القيامة ลรบอัตฟาอัลลอฮุลลมะอนหลรบิอัตฟาาอัลลอฮอ่าฮาเนี่ยมันอยู่อยู่นี่แล้วแล้วก็คำว่าอัลลอฮอยู่อีอยู่อีใช่ไหมอยู่ด้วยกันปะอ๋ออยู่ด้วยกันโอเค อยู่ของของของหนังสืออยู่ด้วยกันของฉันอยู่คนละบรรทัดอของฉันอยู่คนละบรรทัดเนีย่ยถ้าอยู่คนละบรรทัดยิงง่งตาต้องไวแอมมันข้ามาฝั่งนี้ยิ่งคนละหน้าดีเซนเลยนะไม่ทันเนะีต้องเปิด อ, อยายรอบนึง ก็แล้วมาเอากระดูกน่าร ل กในสงครามอัตถ์َ้าหาหลَอวิส จะอยู س ในที่ที่มีความสุข ต๊ะโตฟาอ่าอีกรอบนึงวะล่ะหุลัยยุบุลม uh ุฟซ uh ิดินวะล่ะหุลัยยุบุลมุฟซดีนวลาอันน่าเลลกิตะบิอัมโน วัดตะกูลวัดตะกูลละกัฟฟร์น่าฮุมไซอีอาติฮิมอ่วัตะกูละกัฟฟร์นุ่มไซอีิฮิม ولا أدخلناهم جنات إنعيم ولا أدخلناهم جنات إنعيم ولو أنهم أ ق و ا ทาวราวัลอิลวนนาหุมอาคอมุตทาวราทวัลอิลจิลวะเลวันนาหุมอาคอมุตทาวราทวัลอิจ เฝ้ากีกิหิมว่ามาอْสِลْอิลัยหิมมิรับบิหิมลาก م ลูมิَฝ้ากีหิม อีรอบนึงนะว่ามาอือจีลาอีไลหิมมิรับบ ك หิมลาอั ن ลَู <c oughs> و ْ ق ก ه หิม ر ْมُ ل ِทีْ่ م ِ ن ْิُ م มิُหุมอُมะตุมุกต้าสิดะ ว่าก็ทีรุมมินหุมสามายะมาลูนอ่ะนะครับอายะที่หกสิบสี่นะ ว่าก็ละตินยาหูดยาดุลอหิมักลูละชาวยาฮูดนั้นเนี่ยจะกล่าวว่ากล่าวว่าไงรู้ไหมพระหัต์ของอัลลอฮ์นั้นถูกล่ามตรวนแปลว่าอะไรรู้แล้วมาไม่ได้ไปบาดแหมหมายถึงว่าเขากำลังบอกว่าอัลลอฮ์มีลักษณะแบบไหน เอออัลลอฮ์ถูกล่ามหมายถึงอลมือพระหัตถ์ของอะลลอฮ์เนี่ยก็คือมืออะไรนะคืออย่างนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายนี่คือซีฟัตซีฟัตนะซีฟัตแปลว่าคุณในลักษณะของอะลลอฮ์และอะลลอฮ์เรียกใช้คำในกุฎอ่านก็ใช้คําว่ายาดุนยาดุนเนี่ยแปลว่ามือหรือพระหัตถ์ ไม่ใช่อวัยวะไม่มีใครเขาแปลอวัยวะถ้าแปลอวัยวะนี่มันเป็นการตัชเบีย้ยเปรียบเสมือนมนุษย์ร่างกายมนุษย์นี่มือนี่อวัยวะแต่บอกว่าเป็นสีฟา้าสีฟัตแปลว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นลักษณะอย่างไรลายลียดเป็นยังไงเรามอบหมายกับอัลลอฮ์เพราะยังไงก็แล้วแต่จินตนาการเราไปไม่ถึงหรอกแต่เราอย่าเข้าใจว่าเหมือนกับเหมือนของมนุษย์ไม่ได้แค่นั้นเองเรื่องมันเป็นเรื่องมีแค่นี้แหละ แต่บางคนเนี่ยคิดเลึกแปลพระหตัตไม่ได้นะพอแปลประหัตปั๊บเองพวกนี้ไปคนพวกพวกอะไรพวกเขาเรียกอะไรมุยัซิมาให้เอาลอ้มีเรือนด้างเออเอาเรื่อเอาเรือนด่างเขาเอามนุษย์ไปเปรียบเทียบกับล AH. อ้มันนี้เลอะเทอะนะครับซึ่งพวกเราไม่มีอากิดาแบบนี้อยู่แล้วนะและในในตำสินเขาก็แปลอย่างนี้แหละประหัตเขาก็แปลประหัตเนี่ย เนี่ยตาีุกซีเนี่ยกแปงนี่แหละหัดมันคือคาแปลพี่น้องกอลาติยฮูดยาดุลอฮิมะกลูล่ะพวกยาฮุดกล่าวหาอัลลอ์อย่างร้ายแรงเลยนะบอกว่าอัลลอ์เนี่ยถูกล่ามตวนมือของอัลลอ์หรือรหัดของอัลลอ์นี่ถูกล่าตวนแปลว่าอะไรแปลว่าต้องดูคำแปลก่อน เขากล่าวหาว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ตรนีทีเหนียวว่าอัลลอฮ์เนี่ยตรณีทีเหนียวเออเป็นคําเปรียบเลยนะโอ้ยมือเนี่ยไม่มีทางละล้วงไม่ไม่มีทางล้วงเลยเนี่ยคำว่าอะไรไม่ล้วงเลยแสดงว่ากําเงินไว้แน่นเลยนะ <c oughs> อยู่ลึกล้วงนานเนี่ยมือไม่ล้วงเลยไม่ไม่ควักออกมาไม่มีควักใช้ภาษาเราบ้านเราไม่ควักไอพวกเนี่ยไม่ควัก ไปกินที่ไหนไม่เคยควักหรอกอะไรว่าไม่เคยควักงงอ๋อไม่จ่ายไม่ควักก็หมาถึงพวกมงค์กรมันต้องควักสตังใช่ไหมมาจ่ายเนี่ยคนเนี่ยไปไหนไม่เคยควักมือไม่เคยควักหรอกอ๋อไม่เคยควักมือออกมาจ่ายตังเป็นคำเปียดมาเนอะเออคนสมัยก่อนก็จะมีคำอะไรแบบแปลกๆใช่ไหมอันนี้รุ่นใหม่อิ่มตังจังอยู่คนในรุ่นใหม่เออเอ่เอ วันก่อนฉันไปเจอท้ายรถคันหนึ่งเนี่ยป่าฉันก็นั่งไปด้วยมึงเขียนนี่มึงอะมันรั้นเขียนแค่นี้ผมจะขับแซงอยู่แล้วไมเอาะเดี๋ยวรั้นเขียนเลยมึงมันรันนี่มันนึกเตือเป่าป่านี่คำคำป่าเลยเนี่ยมึงมันรันเดี๋ยไม่ใช่ดื้อด้วยนะรั้นไอวกรั้นทั้งหลายแล้ววิธีแก้รั้นไม่ยากชาบ มันต้องฉาบตีฉาบไปกว่าตีไม่ทันนี่ไงในโบราณมึงมันนั้นจะมาฉาบให้ฉาบอะไรวะอ๋อถามมาแล้วผมถามผู้รู้แล้วทําไมเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกฉาบกับตีละ่ะก็บอกอ้าวถ้าไม่ฉาบมันจะเรียบไหมละ่ะฉาบไงฉาบก็ไม่ตีตีแล้วมันจะเรียบโอ้โหไม่ได้ ไม่ได้คนคลองฉาบปูนเพราะว่าบ้านเนี่ยที่มันเรียบร้อยที่มันสวยเนี่ยเขาต้องฉาบปูนเด็กก็เหมือนกันถ้าเด็กที่มันกระดุกกระเดกกรเดกมัต้องฉาพอฉาปั้บเรียบเออนี่คนคลองคนคลองมันรั้นอ๋อนีอ่าไอพวคนไม่โบราณพอคนชั้นคนคนชั้นคนคลองมันรั้นฉาบให้ กลัวหมเลยเขบอกชาผมกลัวเลยแต่เป็นสมัยนี้นบอกผสมปูนรึเปล่า่ะยอยุ่งเลยเอา้าวพวกอย่าหูดกล่าวหาอัลลอฮ์ว่าอะไรว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนพระผู้ใช่ญเป็นคนพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ตรณีทีเหนียวดูนว่าอ ล, ล้อนะที่จริงแล้วเนี่ยพระองค์นั้นมิได้ไม่ได้เป็นเช่นที่เขาพูดพวกนี้เนี่ยเคยกล่าวหาอัลลอฮ์ว่าจนด้วย Ana, อินนัลลาฮ์ฟาคีรุนวะนะนุนอักเนียไอพวกนี้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยยากจนนะทําไมอะดูสิเรื่อะไรคนบริจาคเนี่ยสุราดูสิสุร า, ราก็ต้องให้คนบริจาคถ้า ล, ล่อรวยเนี่ยไม่เนรมิตสุราเสร็จไปเลยล่ะดูดิดูมันพูดหน่าพาไปฉาบไหมล่ะเออไอพวกนี้ปากมันไม่ดีแล้วแล้วก็อไอคนพูดแบบนี้นะชื่อฟาฟาฮะชื่อฟินฮาสคนเนี่ยพูดแบบนี้ชื่อเป็นเยฮูด พูดในสมัยอบูบักท่านบูบักเอาไปฉาบซะเอาไปเขี่ยนปากมันไม่ดีมันว่าอลลอจนว่าไงล่ะงานดูสิงานศาสนาที่ได้ขอบริจาคแล้วเนี่ยลออยากจนมันว่านะเหตุที่เอลลาลอให้มีการบริจาคเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยพี่น้องเพื่อเป็นประโยชน์กนับไอ้คนนละคนทําบุญนี่หละเออถ้าไม่มีบริจาคยุ่งรวยกันหมดยุ่งเลยนะเออดังนั้น เหตุที่อัลลอฮ์ให้บริจาคไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ยากจนไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้รับผลบุญคุณงามความดีกับทรัพย์และอัลลอฮ์ก็บอกว่าทรัพย์เนี่ยมุสตะละฟีนาฟีอัลลอฮ์เอามาให้เอาไว้ทําหน้าที่เป็นคนจัดการเป็นคนรับมอบหมายอีกทีหนึ่งไม่ใช่ของเจ้าของอย่าคิดว่าเป็นเจ้าของทีดเป็นเจ้าของปั๊บเราจะหวงไม่ต้องอะไรมากง่ายๆเลยเนี่ยสมมติมีคนฝากตังค์ฉันมาพันหนึ่งบอกเอาไปทําบุญเนี่ยถามว่าฉันให้ง่ายไหม ง่ายดิไม่ยังเงินฉันถึงก็ไปยืมให้เขาเขาฝากมาแต่ทุกวันนี้ที่มันให้ยากเพราะว่าคิดเป็นเงินเราเพราะเราเหนื่อยเราก็เลยให้ยากแต่คิดว่าเป็นของฝากกอลล์นะให้กระจะให้อันนี้อันนี้บอกเฉยๆนะแต่เราบอกว่าเงินทรัพย์ทั้งหมดเอาล่อฝากไว้ทั้งนั้นแหละเราทำมาอนะไรทําหน้าที่บริหารจัดการอา้าวต่อมาเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันบอกว่าเอาล่อเนี่ยถูกล่ามมือถูกล่ามตัว มือของพวกเขาต่างหากที่ถูกล่ามตวนอัลลอบอกกุลนะละไอดีหิมมือของพวกมันต่างหากที่ถูกล่ามตวนและพอพูดแบบนี้ใช่นะว่าลุยนูบีมากรูพวกเขาก็ได้รับการสาปแช่งเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูดบัลยาดาฮุมะบซูต่อแต่นี่ยุนฟิกูไกฟยาชาหามไม่ได้เลย พระหัตถ์ของทั้งสองของอัลลอ์ของพระองค์นั้นถูกเบออกตั้งหากอะเดี๋ยวดูนะว่าตรงเนี้ยแปลว่าอะไรห a d i s บทหนึ่งบอกว่าอินเนยามีนัลลอฮิมัลมัลไอนะอัลล์บอกว่าแท้จริงพระหัตถ์ขวาของพระของพระองค์เนี่ยอยู่เต็มตลอดพระหัตถ์ขวาขพระองค์เนี่ยเต็มตลอดอย่าไปจินตนาการนะเราจินตนาการไม่ ไ, มได้อยู่แล้ว เราเชื่อแล้วก็มอบหมายควา ม, วามหมายฮะ ก, กีกัดเขาเรียกฮะกีกัดความหมายที่แท้จริงให้อัลลอฮ์มือขวาของพระ อ, องค์นั้นเต็มอยู่ตลอดการบริจาคต่อเนื่องไม่มีขาดตอนเลยทั้งกลางคืนและกลางวันหมายถึงการให้ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับบ่าของพระ อ, องค์ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีขาดตอนการให้อัลลอฮ์มีตลอดทุดกีที่อัลลอฮ์ให้คิดดูดิพี่น้องปลาในทะเลเนี่ยกินกันมากี่ปีแล้วไม่หมดสักที วัวก็ไม่หมดนะเบก้เลี้ยงวัวขายเนื้อกันชชิดไปตัว ก, กี่ตัวแล้วไม่หมดปลาก็ไม่หมดทะเลสักทีนึงยิงเดี๋ยวนี้ยิงเยอะเยอะใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ผลผลิตเลอะเยอะใหญ่กินกังไม่หมดค้นเยอะอัลลอฮฺให้ตลอดพวกท่านบอกให้ทราบได้ไหมว่าสิ่งที่บริจาคไปตั้งแต่สร้างฟ้ามาเนี่ยและแผ่นดินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นับได้ไหมสิ่งที่อัลลอฮฺให้ดิสกีที่มันเงยมาจากแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺสร้างโลกเนี่ยเท่าไหร่แล้วคิดเป็นมูลค่าได้ไหม ไม่ได้ปลากี่ตัวแล้วที่กินกันไปเนี่ยบนโลกเราเนี่ยอยู่ในทะเลเนี่ยจับกันมาเท่าไหลายปูเพียบไปหมดนี่ไงแล้วบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์จนได้ไงพระองค์ไม่เคยขาดตอนเลยจากสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ขวางของพระองค์ผู้เล่าได้กล่าวว่าบัลลังก์ของอัลลอฮ์นั้นอยู่บนน้ําและในพระหัตถ์ของพระองค์อีกข้างหนึ่งกําเอาไว้ยกขึ้นและยกลงและท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงตัดว่า เจ้าจงบริจาคฉันก็จะได้รับเจ้าจะได้รับการบริจาคงงมเจ้าจงบริจาคหมายถึงพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์และเราจะได้รับบริจาคคำบริจาคตัวนี้คือการที่อัลลอ์ให้ะลรให้ดิสกีกับเราคือใช้คำบริจาคเหมือนกันแต่คนเราความหมายกันนะอ่าอัลล์ประธานให้ของเราก็คือบริจาคไปแต่ยิ่งเราบริจาคอัลลอ์ก็จะให้เราเพิ่มเรื่องของเรื่อง ยิ่งเราบริจาคอัลลอฮฺก็กยิ่งให้เพิ่มเอเราไปสังเกตดูเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่การบริจาคไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวนะพี่น้องฉันเนี่ยบริจาคเยอะมากอาจารย์บริจากอะไรเยอะเห็นจ้งควักเท่าไร่เลยบริจาคความรู้จ้ะสอนหนังสือไงสอนหนังสือหุยวันหนึ่งออกวิทยุแล้วเช้ามาตีห้าออกแล้วสอนหนังสือสอนหนังสือให้ความรู้นี่ก็ได้บริจาคเหมือนกันเป็นซดะก็การที่ใช้คนทําความดีห้ามปามในสิ่งความชั่วก็คือบริจาค การบริจาคอย่าตีค่าแค่ทรัพย์อย่างเดียวมองให้เป็นเรื่องอื่นด้วยก็ได้เช่นการยิ้มการช่วยเหลืองานศา ส, สนาไปยกโต๊ะยกเอาน้ำปังมานี่ก็ใช่นะอมหมดละเอาต่อม า, าทีแปนะอ่วะลยะวะลยะซีดันกาซีรอมินมาอุนซีลาอิลิกะมิรับบิกะตุกยานาวะกุฟรอ ซึ่งอัลลอฮ์ทรงแจกแจงออกไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์และแน่นอนสิ่งที่อัลลอ์ประทานลงมาให้แก่เจ้าพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธจำนวนมากมายในหมู่พวกเขาแปลว่ายิ่งเราปฏิบัต <c oughs> ิตามศาสนามากเท่าไหร่เนี่ยคนที่เป็นศัตรูก็จะเพิ่มความเกลียดชังมากเท่านั้นพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เป็นศัตรูมันจะยิ้มเวลามันเห็นมุสลิมเราเซซอ ไอ้คนนี่มันจ้องทำลายอิสลามเนะี่ยวัยหญิงเราเห็นมุสลิมเราเมาเมาน้ำกระท่อมเนี่ยมันชอบแต่ถ้าเห็นมุสลิมเราเป็นคนดีมีอิมานเะนี่ยมันมันไส้เว้ยนะยาฮูดเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าก่อนที่เราจะไปรบกับศัตรูเนี่ยจะต้องตรวจสอบตัวของเราด้วยว่าของเราเนี่ยระดับอีิมานของเราละหมาดของเราเป็นยังไงนั้นจึงไม่แปลกว่ากองทัพของซาลาหุ ด, ดีนไอยูบีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมสองทัพซาลาหุ ด, ดีนไอยูบีเนี่ยตรวจแม้กระทั่งอาบน้ำละหมาด เดินตัวทหารอับนันละหมาดถูกไหมยืนละหมาดเข้าซ็อบตรงไหมเพราะขนาดตัวของตัวเองเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยจะไปสู้กัใครได้อันนี้เ้าได้คนคนสมัยก่อนอ้าวเขาบอกเอเล่อบอกต่อนะก่อให้เกิดความเป็นศัตรูเกลียดชังมากขึ้นและการเป็นศัตรูนี่นะพี่น้องรู้ไหมเอเล่อบอกว่าจะเป็นไปถึงกียามา มันจะเป็นศัตรูย่างเกียร์มาแหละเนี่ยย่าูดนะซอ ร, รอพวกคิดคิดจะล้มลาย ค, คิดจะทำลายอิสลามเนี่ยมันจะคิดอย่างเงี้ยไปยังเกียร์มากุลแลมาเอากอดูนาโรลีฮาร์บีอัลลอฮ์บอกว่าทุกครั้งที่พวกมันจุดไฟขึ้นอลัลลอฮ์จะเป็นผู้ดับก็สังเกตไหมล่ะว่าเวลาที่มันมีเรื่องสงครามเนี่ยมันไม่มีนะสงครามที่มันเป็นยังไม่จบมาจนสุดท้ายมันก็จะมีสงบไปเดี๋ยวบางทีก็จุดไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้าง แต่พวกนี้พยายามจุดไฟสงครามอยู่ให้คนมุสลิมเป็นผู้ร้ายอยู่ตลอดไปไปมามากลายเป็นผู้ดีกลายเป็นผู้คนเป็นคนไม่ใช่เป็นผู้ร้ายเลยกลายเป็นผู้ดีอีกเป็นคนที่คิดดีอีกออต่อมาพวกเขาเพียรพยายามบ่อนทําลายในแผ่นดินอัลลอฮ์ไม่ชอบไม่ชอบคนที่บ่อนทําลายทั้งแผ่นในแผ่นดินทั้งหลายอ่ะยัยหะนึงว่าเราอันอะเลเลกีแต่อัลลอฮ์บอกนะ ดูฟังแล้วมันเหมือนไม่มีดีเลยนะไอ้พวกเนี้ยแต่ละบอกว่าหากชาวคัมภีร์นี่นะยำเกีงอัลลอฮ์เลวเราก็จะลบบาปบรรดาความชั่วที่ผ่านพ้นมาพูดง่ายๆว่าคุณจะกอ่อกรรมทําเข็นกอ่อความชั่วบนบนหน้าดุนยาขนาดไหนตอนที่เป็นเยโฮดหรือเป็นคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามแต่วันหนึ่งที่กลับมาศรัทธาอัลลอฮ์ลบให้หมดเลยอันนี้ก็คือเหล่าซอบาอับนบีบางท่านที่ ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ฝ่ายเลยอยู่ฝ่ายที่สู้กับลออะคคาริมาบินอับีจาฮันลูกอบดจาฮันเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นคนที่ได้ชื้อฮีแล้วก็มาอยู่กันบนบีหลายคนนะแม้กระทั่งนางหินเนี่ยนางหินที่ว่าดูดูเป็นผู้ร้ายเนี่ยรับอิสลามก่อนอบับดุลซุบยานอีกคือต้องเวลาเราศึกษาประวัติเนี่ยไอตอนอ่านเนี่ยต้องอ่านให้จบเล่มบางทีอ่านต้นหัวต้นอย่างเดียวเนี่ยเลวจังเลยลืมอ่านตอนท้ายเล่มว่าเขารับอิสลาม ค <c oughs> อริสบินวารีสงครามอูฮุดเป็นไงโอ้ยพอหลังจากสงครามมารับอิสลามปั๊บก็กลายเป็นทหารเป็นดาบของอัลลอฮ์เลยคือเราต้องอ่านให้ครบด้วยนะบางคนเนี่ยมันจะมีประวัติช่วงท้ายกับช่วงหน้าไอ้ช่วงหน้าเนี่ยดูเป็นคนไม่ดีแต่ตอนหลังเป็นคนดีอะฮัมดุลิลละอะแน่นอนอัลลอฮ์บอกว่าถ้ายำกิงอัลลอฮ์บาปชั่วช้าขนาดไหนพระองค์ก็ให้อภัยนะอลัลลอฮ์จะลบบาปให้แน่แน่นอนเขาจะได้เข้าสวรรค์ไนม นะสวรรค์ที่เป็นที่โปรดปานนะครับนะเป็นสวรรค์ที่เรารู้สึกเราเป็นที่แข่งที่บรมสุขไม่มีความโปรดปานใดจะเทียบกับสวรรค์ได้อีกเลวพี่น้องนะวันที่เราเข้าสวรรค์นี่คือที่สุดของความสุขบรมสุขนะวัแล้วอันนาฮุมอากมูเตารอดอุมมุดเตารอดวันอินจีนอัลลอฮ์บอกว่า และหากว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเต า, ตาร้อและคำภีอินยีและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาจากผู้อบาญของพวกเขาแล้วแล้วก็แน่นอนเราจะก็จะได้บริโภคสิ่งที่ <c oughs> มาจา ก, <c oughs> ม, าจาก <c oughs> มาจากเบื้องบนของพวกเขาและสิ่งที่มาจากใต้เท้าของพวกเขาในหมู่พวกเขานั้นมีกลุ่มหนึ่งที่มีความยุติธรรมและมากมายในหมู่พวกเขานั้นช่างเป็นคนที่เลวเสียจริงในสิ่งที่เขากระทาคือมีคนดีอยู่ในเยฮูดก็มี ก็ตว้เดี๋ยวนี้ก็มีนะในสงครามเนี่ยกลุ่มที่รบกันเนี่ยระหว่างปาเลสไตน์เนี่ยก็จะมีบางคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นด้วยกับพวกนี้นะคนดีพวกเขาก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเอออ่ะเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตอบนะุภานลอฮุม่อบิฮัมลิก้าชดุอัลลาอิลาฮอิลลาต่สตฟิกาวะตูบรยอัสสลามอานุมะรามัตุลลอฮ์วะบระกาุ